ลมามจะโลกาธิปติสหมปติกัดอัญชลีอันทิวลังอายาเจธาสันติธัสตาปรชคชาธิกาเทเสตุทมัง